ท่านฟังที่พระองค์คะราการสัสนนิชย์สนทนานะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ได้เริ่มต้นด้วยการพาท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมโดยพระมารคชาคาวโรจากวัฒ น, นาปาพงลำลูกกาคลองสิทไปแล้วแถมได้ฟังประสูตรกันไปด้วยพระมารคชาคาวโรท่านอยู่วัฒนา ป, ป่าพงซึ่งมีพระอาจารย์คริทติโสธิพโลนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสและได้เมตตามอบหนังสือให้กับพวกเราในชุดพุทธวจนานิสส์เนื่องมาตั้งแต่เริ่มต้รมตนรายการจนถึงวันนี้นะคะ ให้กับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาเวลาสามท่านที่หมายเลข022690006เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ท่านสามารถติดต่อสื่อสารฝากข้อความไว้ให้กับรายการได้นะคะ022690006แล้วก็ยังจะสามารถมีช่องทางอื่นที่ติดต่อกับรายการได้อีกแต่จะเป็นช่องทางใดเดี๋ยวจะให้ไปพบกับพระพิบูลอภิปุนโนซึ่ง จะเป็นผู้ที่รับการสื่อสารนั้นโดยตรงด้วยตัวของท่านเองเ น, อนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทพิพากกันก่อนค่ะน้ัสการคับท่านคะเชิญพรค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ทาง p i r e t h m a c o m หรือต้าไปที่เว็บไซต์ p i r e p u r e d h a m m a c o m ใช่ก็ะะจะมีข้อมูลอยู่หลายอย่างะเราไปส่วนที่เป็นหน้าของ FM106 แล้วก็สามารถส่งคำถามใส่คอมเมนต์อะไรต่างตรงนั้นได้ค่ะเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถติดต่อได้ทันทีเนื่องจากรายการเราก็ติดต่อทันทีไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะท่นพิบุญค่ะทีนี้มาถึงช่วงของการที่จะถวายพุทธบูชาให้กับพระพุทธองค์ในปีพุทธชยันตีสองพันหกร้อยปีที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบนโลกค่ะเฉลิมพัน ในเรื่องนี้เรามาดูถึงแง่ธรรมที่แง่มุมที่พระเจ้าแสดงธรรมด้วยนะในบางครั้งเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ย เ, เลือกเลือกเขาเรียกว่าอะไรละเลือกความคมชัดของธรรมะที่จะแสดงกับบุคคลที่มีศรัทธาภาษาทรเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่านี่นคื อ, อลักษณะการที่พระองค์จะเลือกนะแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรออกมาเนี่ยไอ้ที่ ให้ไปเนี่ยนะถูกต้องชัดเจนแน่นอนในเรื่องนี้พระเจ้าคเคยพูดกับปรามชื่อคารินะิบอกว่าเอ๊ะทำไมสอนปริพาชกสอนแบบหนึ่งคือเขามากล่าวหาพราานะเจ้านะว่าเนี่ยลาเอียงนะดูซิพวกปริพาชเนี่ยไม่ยอมสอนพวกอะไงต่างสอนมากสอนไม่เท่ากันโอ้ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้วางงั้นพระเจ้ า, า, าก็บอกว่าโอ้ยมันก็เหมือนกับชาวนาทํานาสินอ่ะเวลาเจอนาชั้นดีนนก็รีบ ทำเยอะๆก่อนรีบทำก่อนรีบให้ก่อนนาชั้นปลานกลางก็ถ้าทำนาชั้นเลิศเสร็จแล้วก็จะมาทำนาชั้นปลานกลางส่วนนาชั้นเลวนี้ก็เพื่อพี่กว่าหวานข้าวไวเฉยๆนะเผื่อว่าวัวควายจะได้กินเพื่อไม่ได้หวังว่ามันจะมีผลผลิตผลผลผลิตอะไรรีบมากมายได้ก็เปรียบเทียบกับแบ่งเป็นภิกษุภนะิกษุภิกษุณีเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกคือนาชั้นเลิศ แล้วก็พวกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็น น, นาชั้นปานกลางส่วนพวกปริบาชกลติเดรจีอื่นๆเนี่ยก็เป็นนาชั้นเลวหมายความว่านาชั้นเลวเนี่ยเป็นนาลักษณะที่มีเป็นที่ดอนนะมีก้อนดินแข็งและก็หยาบมีรสเค็มนะทํานาก็จะได้ผลผลิตไม่ดีแต่ว่าแสดงทําไปเนี่ยนะก็ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าผมว่าใครได้ฟังทำนี้สักบทหนึ่งก็ถ้าจะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยก็ ก็จะเป็นที่ดีมากๆเลยล่ะเพราะฉะนั้นถ้าในการแสดงธรรมผู้เจ้าบางทีเราอาจจะเห็นว่า เ, เรื่องคือสอนหมดเลยนะคุณโยมติต่อยตั้งแต่เรื่องของการใช้ใจ่ายทรัพย์การเลี้ยงครอบครัวจนมาถึงความขยันขันแข็งในการทำงานนะอีกในยะหนึ่งก็ยังสอนให้ละทิ้งการงานนะออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นผู้บวชบวชแล้วให้ทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ ก็บางคนจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงนี้ก็ต้องเลือกที่เนื้อนานาปานกลางกับนาชั้นดีเนี่ยอาตมาเคยไปถามชาวนาแล้วคุณนยมติ๋วที่เขาทํานาอยู่แถววัดป่าปดอนไทรศก์อะค่ะอาตมาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมนาแต่ละแปลงของวัดศกเนี่ยนะค่ ะ, ะแปลงที่ดีก็มีแปลงที่ไม่ดีที่ก็มีใช่ไหมเขาบอกแล้วเขาทําอันไหนก่อนเขาบอกเขาทํานาชั้นเลิศก่อนทำนาดีก่อนทําไมถึงทําอย่างนั้น เขาบว่าเพราะว่าถ้าเผื่ว่าต้นมันคือคือชาวนานเนี่ยเขาจะมีปัญหาเขาจะต้องดู2อสาอย่างเท่านั้นคือเรื่องน้ําเรื่องมแมลงนะแล้วก็เรื่องการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ทีนี้พอว่าถ้าเผิดว่าปีไหนน้ํามากเนี่ยเขาจะต้องหว่านทํานาในนานชั้นดีก่อนเพราะว่าต้นเนี่ยมันจะได้โตมีความแข็งแรงพอที่จะต้านาน้ํามาได้ <c oughs> ถ้าปีไหนน้ําไม่ดีเขาจะต้องทนานํนานาในนาชั้นเลิศก่อนนะเพราะว่าพอน้ําไม่ดีมันโตขึ้นเนี่ยมันจะได้รอดจาก ความแรงได้และเขาทำ อ, อย่างนี้จริงๆค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบซึ่งประเด็นอยู่ที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักพระพุทธองค์ว่าทรงเป็นผู้ที่สอนเก่งเพราะว่าทรงเลือกคนเรียนก่อนว่ามีภูมิปัญญาขนาดไหนนะคะใช่ใช่แล้วก็แสวงหาแล้วก็ใช้วิธีที่เหมาะสม โดยคมชัดทุกวิธีใช่แล้วแล้วในสมมุติเรามีของดีสักของอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ประนี่กับของดีของเรานะค่ะสมมติเอาเรื่องง่ายๆอย่างสร้อยคออย่างเงี้ยหรือว่านาฬิกาบางคนอาจจะมีนาฬิกาหลายเรือนไอ้นาฬิกาหลายเรือนเนี่ยคุณจะสรรหาอะไรที่วัสดุที่จะเอามาหอ่อนาฬิกาเก็บเอาไวา้หรือว่า อุปกรณ์ตะคความสะอาดต่า ง, งๆเนี่ยคุณจะประณีพิถีพิถันกับนาฬิกาที่แบบมีมูลค่าสูงคุณรักมากของดีถูกไหมค่ะอันนี้เป็นธรรมดาเลยส่วนนาฬิกาทั่วๆไปใส่เล่นใส่อะไรไปก็ล้างบ้างเช็ดมันบ้างอาจจะวางไว้เฉยๆไม่ได้ประนีอะไรเท่านั้นก็ลักษณะเดียวกันคะ่ะนะคะทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่ท่านพิบูลค้างอยู่เมื่อวานดีฉันก็ไม่ทราบว่าทุกเจ็นาทีเนี่ยจะพูดไว้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตันหากับจิตที่ท่านบอกว่าเหมือนกันแล้ว ท้าย้อนไปนิดหนึ่งดิฉันกราบเรียนถามท่านว่าทำอย่างไรจรึงจะสามารถหนีพ้นจากสังสารวัตรซึ่งมันเป็นการที่จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกท่านก็เปรียบเทียบว่าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบว่ามันเป็นเรื่องของเรือนที่จะมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องมีในช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหามีวัตถุดิบคือกิเลสและมียอดเรือนคืออวิชาชาแล้วท่านก็บอกว่าไอตัวตันหานี่แหละ ที่ต้องหาให้เจอคือนายช่างผู้ปลูกเรือนอือแล้วก็จึงพูดถึงคุณสมบัติของตันหาว่าเป็นยางเหนียวเหมือนกับจิตนี่ล่ะค่ ะ, ะคือตันหาเป็นอย่างเหนียวมันจะต้องมีสภาพที่เหมือนคือจิตเนี่ยจะต้องมีสภาพเหมือนกับไอ้เจ้าอตันหานี้แน่เพราะว่าถ้าผู้เชี่ยวปรียบเทียบจิตตันหาเป็นอย่างนี้จิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอที่เราเข้าใจว่า จิตดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนใช่ไหม น, นี้เป็นพุทธวจนะนะค่ ะ, ะคือจิตเนี่ยอีกในยะนหนึ่งผู้ชาก็บอกว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่ว่าจิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนเนี่ยเป็นจิตที่ถูกอุปกิเลส อ, อันเป็นสิ่งที่จรมาเนี่ยมันทำให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมชาติที่ไหลแผ่ซ่านไปทั่วนะแล้วพอเกิดสิ่งที่ตัณหาเนี่ยมันมายึดจิตให้จิตเนี่ย ฟอร์มตัวขึ้นเป็นดวงๆขึ้นมาเข้า <crates eties> <cond ition> ใจไหมเพราะฉะนั้นเราเราเราจึงมีความลักษณะว่าเรารู้เรื่องนี้เราไม่ได้รู้เรื่องนั้นเป็นจังหวะจังหวะแต่ว่าการทํางานของจิตเนี่ยไม่ได้เป็นแมคาินิกไม่ได้เป็นจังหวะเหมือนเข็มนาฬิกาติ๊กติ๊กติอย่างนั้นไม่ใช่การทํางานของจิตเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของเป็นธรรมชาติที่นิ่มนวลนุน่มแพ่ซ่านไหลไปทั่วเหมือนกับแสงอย่างนี้นนะคุณคุณยมเตีย่ยนนึกออกไหมแสงแดดเวลามันส่องมาเนี่ย คือเป็นจิตเนี่ยเป็นแสงชงนิดที่เรียกว่าไหลไปได้ 360. 3 6มองศาไม่ได้มีเงาไม่ได้สร้างเงาอะไรคือเป็นเหมือนกับแสงสว่างจ้าไปทั่วเลยลนั่นเองเพราะเรามีความพอดีเรามีความยึด ต, ตรงไหนนะคือนี่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันสซ่านไปกับจิตด้วยนะพอมันสซ่านไปกับจิตเนี่ยมันยึด ต, ตรงไหนมันยึด ต, ตรงไหนตรงนั้นฟอร์มขึ้นเป็นดวงมันยึด ต, ตรงไหนตรงนั้นฟอร์มขึ้นเป็นดวงเราจึงมีความทุกข์นัดจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเราไม่ได้มีความทุกข์ทุกเรื่อง ก็ใช่ไหมเราจะมีความทุกข์เฉพาะคนที่เรารักกับคนที่เรารักอย่างเช่นอลูกคนอื่นตายฉันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่ลูกฉันตายนี่ไม่ได้เลยนะฉันจะทุกข์มากอย่างนี้ไปต้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมายึดตรงที่เป็นลูกคุณไงมันไม่ได้ยึดตรงลูกคุณอย่างเดียวยึดของคุณด้วยยึดตัวคุณด้วยค่ะมีเพิ่มอีกคำหนึ่งคือคําว่ายึดอืมค่ะเพราะว่าตัณหาเนี่ยตันจะทําให้เกิดความยึด พรมีตัณหาจึงมีอุปาทานอุปาทานแ ป, ป, าานปนว่าความยึดพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้นนะคุณยมติวเพราะว่าหลายหลายคนเล ย, เยทีเดียวที่ามาสังเกตเห็นแล้วก็การอธิบายธรรมะของเขาเนี่ยจะเ ข, เข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นแบบแบบแมชชีนิกนะคือเป็นเป็นก้อนๆแล้วก็ติก๊กติ๊กติกติกตก๊ไปอย่างนั้นเกิดดับเกิดดับซึ่งซึ่งจะพูดว่าเกิดดับก็เป็นพุทธวัชนะนะดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปแต่การเกิดดับตรงนี้เนี่ย เป็นเป็นสภาพที่ซ่านไปเข้าใจไหมอ่าที่ที่ท่านอธิบายว่าเป็นสภาพที่ซ่านไป อ, อันนี้ก็วุทงค์ตรัสไว้ส่วนเนี้ยอย่างไรเอานะเออพูช้ชาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นจิตประภันสอนเป็นสภาพที่อ่อนโยนอ่อนนุ่ ม, มนะแล้วก็สว่างอ่อนโยนอ่อนนุ่มคืออ่าถ้าเราลองจินตนาการถึงอาจจะมีหนังบางเรื่องบางราวที่มัน จอทั้งจอนี่มันสว่างมากจนกระทั่งเหมือนกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยที่มันสามารถไหลไปได้แม้กระทั่งข้างหลังเราไม่เกิดเงาขึ้นอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> สว่างขนาดนั้นนี่คือจิตเดิมนะเป็นจิตประภัฒสอนนี่จิตประภัฒสอนเป็นอย่างนี้คนที่เข้าสมาธิลึกซึ้งได้แล้วเนี่ยจิตเขาจะสว่างมากเลยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนิ่งอยู่ตลอดแต่พอมีมีเรื่องคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ที่สว่างเนี่ยมันจะค่อยค่อยมืดลงตรงจุดนั้นที่มีความคิดเกิดขึ้นมาฟอร์มเป็น ตัวเป็นตนขึ้นฟอร์มเป็นสิ่งเป็นของขึ้นตรงนั้นค่ะเ อ, เอย้ําอีกครั้งตรงนี้สําคัญมากนะคะที่ยันเข้าใจว่าเราควรจะเข้าใจว่าจิตประพัดสอนเป็นอย่างไรท่านคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าจิตประพัสสอนเป็นอย่างไรเนี่ยทุกคนมีจิตประพัดสอนอยู่ในตัวไหมหรือว่าต้องไปหาเอาข้างนอกจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอยู่แล้วคือคจิตคุณเน่ะจิตเป็นจิตประพัดสอนอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยถูกไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยดึงเอาไว้ยึดเอาไว้จึงทําให้จิตเนี่ยมันฟอร์มเป็นมีรอยเปื้อนเปื่อนเป็นดําๆดําๆดําๆอยู่ซึ่งจิตนี่กว้างมากนะไม่ใช่จิตเป็นก้อนทีละดวงเหมือนกับขอบเกศของเรามีแค่นี้น ะ, ะแต่เพราะไอ้ความยึดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าขอบเกศของเรามีแค่นี้แต่จริงๆไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติทิงใหญ่มากเป็นแบบไหลซ่านไหลลื่นไปค่ะงั้นต้องถามท่านผู้ฟังอีกกลับไปนคะครว่าท่านพรืบูลบอกว่าจิตที่พระพุทธองค์ ตรัสว่เป็นประภัดสอน่ยมันเป็นจิตเดิมของคนเราทุกคนคือมีอยู่แล้วใช่ท่านเคยสัมผัสกับคุณสมบัติของจิตประพัดสอนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไหมคะว่าอ่อนโยนอ่อนนุ่มสว่างเอ่อคนที่เข้าสมาธิทําได้ทุกคนค่ะแต่ที่จริงกำลังจะบอกว่าเชื่อว่าคนที่ฟังรายการวิวอยู่เนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวออืที่นึกไม่ออกเลย ว, ว่ามันเป็นยังไงอค่ะแต่แต่อย่างไรก็ตาม ที่ฉันอยากให้ท่านไปต่อจนจบประเด็นที่ว่าอาตันหาอกับจิตมันเหมือนกัน ค, คือคือจะมีธรรมชาติที่แผ่ซ่านแต่ธรรมชาติของจิตที่แผ่ซ่านไปเนี่ยคือมันมันเหมือนแสง่คุณโยมติ๋วเนี่ยเหรอมันแสงมันกระจายไปทั่วเลยนะค่ะอะแล้วมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าแหล่งกําเนิดมันอยู่ตรงไหนแล้วไอการที่เราถูกจิตยึดคือตรงนี้ทําให้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า จิตฉันเป็นดวงดนี่ของชันนี่นของชันทําให้เขาไม่มีการภาวนาไม่มีการที่จะทำยังไงให้จิตของเรากับเป็นธรรมชาติแบบรัศสารเหมือนเดิมแต่คนที่เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ป่ะอ๋อจิตของเราเป็นแสงสว่าง ม, มาก่อนนะแล้วก็มันมันมายึดถือตรงนี้เป็นตัวตนมันมีรอยเปื้อนขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันสามารถเอาเอาอุบัติเลเตรงนี้ออกไปได้จากจิตพอเขาทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็จะเกิดการทําทํำตามกระบวนการของมรัก เพื่อที่จะเอาตันหาออกไปให้จิตของเราเป็นธรรมชาติใสสว่างเ mm. ย็นแล้วก็ เ, เรียกว่าสว่างไปทั่วอ่อนโยนไปได้อย่างนี้ทีนี้เออเรื่องพูดเรื่องจิตประสอนเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่ า, อาให้ไปยึดถืออีกนะแต่เพื่อให้ทราบข้อมูลว่าจิตเราเนี่ยกลับเป็นจิตประพัสสอนเดิเดิมได้นะโดยที่ว่ามีกระบวนการอยู่ให้ก็จะให้เธอทําตามกระบวนการนี้เราก็จะสามารถทําจิตประพัดสอนเดิมเนี่ยให้ปรากฏขึ้นมาได้อีก ก็เท่ากับวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้ทําความเข้าใจเพิ่มกันมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีหวังมันสามารถที่จะปรากฏกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้และก็ ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตซึ่งดิฉันเองก็ยังต้องทําความเข้าใจเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเคยฟังอย่างที่ท่านพูดนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอืมก็ก็จึงอาจจะติดในในในตัวบทเพียญชนะอืว่าเป็นดวงดวงแต่จริงๆแล้วเป็นแผลซ่านเป็นดวงก็เป็นดวงที่มันติดติดติดติดกันเลยถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเหมือนเหมือนกับจอโทรทัศน์อย่างนั้นนะคะที่มันจะเป็นเม็ดเม็เม็แล้วก็มารวมกันเป็น ก็เป็นลักษณะนั้นใช่นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้ที่คิดว่าพอสมควรทีเดียวแล้วก็เวลาก็พอสมควรเหมือนกันใช่ท่านพิบูลย์คะนามาสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญพรทุกอ่างที่ครบรอคะเราก็อย่างนี้นะคะในเรื่องเดิมๆที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยังมีโอกาสที่เราจะต้องทําความรู้ให้เข้าใจได้มากขึ้นอีก แล้วการฟังธรรมหรือว่าการสังสมสุตตะเนี่ยนะคะก็จะช่วยเป็นหนทางให้เข้าใจให้ถูกแต่ในขณนะเดียวกันมันจะเป็นความรู้ที่ไม่ใช่รู้อย่างแท้จริงถ้าไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัตินะคะก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ท่านมาร์กสอนตอนต้นรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านสอนจบแล้วก็จบกันไปเลยท่านก็พยายามที่จะปฏิบัติกันไปเรื่อยๆจะได้ทำให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านได้ศึกษากันให้ รู้แจ้งรู้ในเชิงประจักษ์นะคะวันนี้เราก็ส่งท้ายกันด้วยการที่นัดแนะกันใหม่พร้อมกับบอกว่ารายการนี้เปิดโอกาสให้ท่านติดต่อเราด้วยดังที่ได้แจ้งไปแล้ว p พ e ยวธม m ด com slash หนึ่งศูย์หกกับศ2นย์สองสองหกเก้าูนย์ย์หกเบอร์ที่ท่านจะขอหนังสือพูดทวจนะที่ท่านอาจารย์คึกริธสดทิพยหลได้มอบให้มาได้เนยนะคะเรามาติดตามรับฟังรายการกัน ในวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ